กรรมเก่าประเภทที่ต้องแบกหนี่หลังแอนชัวชีวิตได้แก่การเป็นหนี้แล้วไม่ใช่ห น, นี้ชนิดที่ทำให้เจ้าหนี้เดือดร้อนหนักเจ้าหนี้มีทั้งเจ้าหนี้ทั้งทรัพย์สินและเจ้าหนี้คือหนี้บุญคุณมีหนี้สินล้นพ้นตัวทำงานเป็นอาชีพรองกู้สิบทิศเป็นอาชีพหลักไม่เห็นทางชดใช้ได้หมด คือเส้นทางกรรมแบบไหนคนบางคนในโลกนี้รู้สึกเหมือนเดินแบกกระสอบขึ้นหลังวางกระสอบเก่าได้ก็มีกระสอบใหม่มาแทนทันทีหรือหนักกว่านั้นยังไม่ถึงเวลาวางกระสอบเก่าก็มีใครแกล้งเอากระสอบใหม่แถมเพิ่มให้อีกภาพรวมชีวิตจึงเหมือนคนหลังแอนเดินหนักเดินเหนื่อยโซซาโซเซแบบไม่มีที่หมาย ไม่มีวันได้เดินสบายหลังตรงตัวเบาบ้างเลยท่นี่หนักด้วยกรรมใหม่ประเภทรูดบาดแบบสิ้นคิดไม่วางแผนให้สังเกตว่าถ้ากลับตัวกลับใจเปลี่ยนบทเรียนแล้วความเจ็บเนื้อเจ็บตัวเป็นสติในการใช้เงินแบบรู้เนื้อรู้ตัวหนทางก็จะราบรื่นตื่นสบายไม่ต้องหัวหนักคิดเรื่องนีสินกันแบบชักหน้าไม่ถึงหลังอีก แต่หากเป็นหนี้สาหัสจกรรมเก่าประเภทอยู่ดีๆก็มีคนยัดเยียดให้รับผิดชอบรับผิดชอบเสร็จก็ต้องเจอชะตาที่เล่งไม่ได้มาให้รับผิดชอบอีกอันนี้เจ้าตัวจะรู้แล้วว่าชาติแห่งการเกิดมาใช้หนี้เป็นอย่างไรเราสัมผัสถึงความหนักอึง้งของอะไรบางอย่างที่ขึ้นบาคีคออยู่มันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าชีวิตตนเองรู้สึกว่าแม้แตัดช่องน้อยทําลายชีวิตทิ้งก็หนีไม่พ้น ต้องมีชีวิตหน้ามารับช่วงต่ออยู่ดีแถมเพิ่มน้ำหนักไม่ใช่ลดน้ำหนักคล้ายนักโทษพยายามแหกคุกที่แหกไม่ได้ยิ่งต้องโดนข้อหาพยายามหลบหนีเพิ่มอีกระทงกรรเก่าประเภทที่ต้องแบกหนี้หลังแอนชั่วชีวิตได้แก่การเป็นหนี้แล้วไม่ใช่หนี้ชนิดที่ทำให้เจ้าหนี้เดือดร้อนหนักเมื่อกำเพลดผลจะย้อนกลับมาเป็นความเดือดร้อนแบบคูณสิบคูณแสน เพราะธรรมชาติจะทบต้นทบดอกให้โดยคำนวณจากความเดือดร้อนของเจ้านี่คูนกับปริมาณความใจจืดใจดำของลูกนี่ฉะ น, นั้นยิ่งทำเป็นลืมยิ่งตั้งใจหลบหนีแบบด้านชายิ่งมีดอกเบี้ยรายปีเพิ่มแบบน่าตกใจการเป็นหนี้แลาไม่ใช่ห น, นี้ยังแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้พิสดารไม่จำเป็นต้องยืมเงินและไม่ใช้เงินเสมอไป ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเลวสุดก็ได้แก่ขอให้ญาติช่วยค้ำประกันแล้วหลบหนีบังคับให้ลูกหลานติดหนี้แทนตนจิงใี้เขาแบกภาระต้องกัดลิ้นกลืนเลือดกันยืดเยื้อยาวนานแต่ยังมีกรรมบางอย่างที่คนทั่วไปนึกไม่ถึงนั่นคือการไม่มีสำนึกกระตันอยู่รู้คุณพ่อแม่หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูมายิ่งถ้าเป็นพ่อแม่ดีๆ ผู้ทให้สารพัดต้นทุนชีวิตทั้งก้อนเลือดก้อนเนื้อทังเอาตัวเองเป็นกำแพงปกป้องทั้งลำบากหาเงินส่งให้เรียนวิชาทั้งอุตสาหสอนสั่งให้รู้จักโลกถ้าโตขึ้นแล้วลืมจำไม่ได้ไมีตอบแทนเป็นการปรนิบัติเอาใจให้ท่านเป็นสุขไม่ตอบแทนด้วยส่วนของทรัพย์ที่หาได้ก็นับว่าติดหนี้ก้อนใหญ่เกินคำนวณบางคนโหดกว่านั้น ถึงขั้นไปตั้งท้องและย้อนกลับมาทิ้งไข่ยัดเยียนให้พ่อแม่แก่ๆรับผิดชอบต่อประเภทนี้ถือว่าผิดกติกาข้อสำคัญของความเป็นมนุษย์ขั้นสูงสุดกระทั่งลบสำนึกความเป็นมนุษย์ทิ้งได้ถ้าเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นหนี้ใหญ่ในแบบใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่สิน้นหนักหนากว่าหนี้ทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นได้ในโลก หมายเหตุผู้อ่านกฎกติกาข้อสําคัญของความเป็นมนุษย์นั้นก็คือความกตันอยู่รู้คุณซึ่งถือเป็นมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานที่สัตว์เดรัจฉานไม่มีในเรื่องของการสํานึกรู้คุนนั้นเป็นที่น่าตกใจมากกับในปัจจุบันเราจะได้เห็นข้อความของเวยรุ่นจํานวนมากที่แสดงความคิดเห็นว่าบุญคุณของพ่อแม่ไม่มีทําให้เขาเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงสินับว่าเป็นมิจฉาทิฐิร้ายแรง แต่ถ้าสืบไปจริงๆก็จะพบว่าต้นเหตุก็มาจากพ่อแม่ของเขาเองถ้าพ่อแม่มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมที่มากพอและสั่งสอนเลี้ยงดูลูกได้ถูกต้องไม่มีทางที่ลูกจะคิดแบบนั้นได้พ่อแม่หลายคนตามใจจนเสียคนหรือไม่ก็เข้มงวดเกินพอดีแนะนำว่าควรศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาเลี้ยงลูกโดยเฉพาะในแง่ของวินัยเชิงลบรวมกับการปลูกฝังคุณธรรมในระดับที่เหมาะสมกับวัยของเขาด้วยนะครับ